การปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรผลนิพพานบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไม่ได้จำกัดไว้ที่นักบวชเพียงอย่างเดียวไม่ได้จำกัดอยู่ที่เพศคือต้องเป็นผู้ชาย หรือวัยต้องเป็นผู้ใหญ่การปฏิบัติธรรมนี้เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นนัก บ, บวชหรือเป็นผู้คลองเรือนไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงไม่ได้ขึ้นอยู่ว่า เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นเด็กไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าจบปริญญาหรือไม่จบปริญญาไม่ได้ขึ้นอยู่ว่ารวยหรือจนสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะกาหนดการบรรลุมรรคผลนิพพานสิ่งที่ กำหนดการบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานคือการปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าใครสามารถปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญาได้เต็มร้อยคือตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับนผู้นั้นย่อมสามารถที่จะบรรลุถึง มากผลนผิพพานได้ศีลก็ต้องเป็นตั้งแต่ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดสำหรับคารวาผู้ครองเรือนศีลสิบสำหรับสัมมะเนศีลสองอยยี่สิบเจ็ดสำหรับพระภิกษุศีลสามรอยสิบเอ็ดสำหรับภิกษุณีนี่คือศีลสำหรับผู้ที่ ต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานจำเป็นที่จะต้องรักษาศีลเหล่านี้ให้ได้ตลอดเวลายกเว้นเวลาหลับสมาธิก็ต้องเป็นสมาธิระดับอัปปนาสมาธิไม่ใช่คณิกะสมาธิหรืออุปจาระสมาธิ ต้องเป็นอัปปนาสมาธิที่มีอุเบกขาเป็นผลเป็นผู้ที่จะสนับสนุนต่อการจเจริญปัญญาปัญญาก็ต้องเป็นภาวนามัยปัญญาถึงจะเป็นปัญญาที่ ฆ่ากิเลสได้เป้าหมายของการบรรลุมรรคผลนิพพานคือการฆ่ากิเลสตัณหาชนิดต่างๆที่ผูกมัดจิตใจให้ติดอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเกิดในตายพบคือการมาพบรูปพบ และอรูปรุปพกนะกามัตนะหาก็ดึงใจให้ติดอยู่กับกามภพภาวะทันหาก็ดึงใจให้ติดอยู่กับรูปภพวิภาวะทันหาก็ดึงใจให้ติดอยู่กับอรูปรุปภพผู้ที่จะหลุดออกจาก สังสารวัฏออกจากตายพบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จำเป็นต้องละกามตัญหาภวะตัญหาและวิภวตัญหาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาดังนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าสามารถปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา ได้เต็มร้อยก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลผนิพพานสามารถบรรลุอริยบุคคลขั้นต่างๆได้อยู่ที่การปฏิบัติไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นนักบวชหรือเป็นผู้คลองเลือนไม่ได้อยู่ที่ว่าเป็นชายหรือเป็นหญิงหรือประเภทสองหรือประเภทสาม ไม่เกี่ยวเรื่องของเพศไม่เกี่ยวประเภทสี่ประเภทห้าก็ไม่เกี่ยวก็ให้มีศีลสมาธิปัญญาพ่อใจมันไม่มีเพศผู้ปฏิบัติธรรมจริงๆนี้ไม่ใช่หญิงหรือชายไม่ใช่เพศหนึ่งเพศสองหรือเพศสามแต่ใจที่เป็นผู้รู้ผู้คิด ที่ถูกอวิชชาโมหะครอบงาจิตใจหลอกให้ไปหาความสุขจากไตรภพนั่นเองหลอกให้ไปหาความสุขจากกามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสพัตตาประหลอกให้ไปหาความสุขจากรูปประชานหลอกให้ไปหาความสุขจากอารูปประชานหาความสุขจาก การจากรูปประจานจาก ร, รูปประจานก็จะเกิดความยุติดจะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆเหมือนอยาเสพติด خر. พอลองไปติดบุหรี่แล้วก็ต้องซื้อบุหรี่มาสูบอยู่เรื่อยๆพอติดสุราก็ต้องซื้อสุรามาดื่มอยู่เรื่อยๆพอติดกาแฟาก็ต้องซื้อกาแฟามาดื่มอยู่เรื่อยๆ สตาบัากเหมือนถึงรวยเพอาะมันขายยาเสพติดเพียงแต่ว่าเขาไม่เรียกว่ายาเสพติดทนั้นเองเพราะเขาไม่ถือว่าเป็นยาเสพติดแต่มันก็เป็นสิ่งเสพติดเพียงแต่ว่าฤทธิ์ของมันไม่ดุนแรงเหมือนกับพวกยาเสพติดเช่นพวกเฮรโรอีนหรือกัญชาหรือฝิ่นพวงนี้ ถ้าติดแล้วเวลาไม่ได้เสพนี่มันจะทุกข์ทรมานมากแต่ความจริงการติดรูปเสียงกิดลดนี่มันก็เหมือนกันมันก็เป็นยาเสพติดมันก็ทรมานคนถึงกับฆ่าตัวตายได้เวลาแก่เวลาจิบไข้ได้ป่วย ไม่สามารถไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้หรือเวลาที่ล้มละลายสิ้นเนื้อประดาตัวเคยเป็นเศรษฐีเคยมีเงินทองซื้อสิ่งต่างๆมาเสพพอธุรกิจล้มเหลวสิ้นเนื้อประดาตัว ก็ไม่รู้จะอยู่อย่างไรอยู่ไปก็มีแต่ความทุกข์ทรมานใจก็เลยต้องฆ่าตัวตายไปนี่คือโทษของการเสพกามตายไปแล้วไม่ใช่จะจบนะตายไปแล้วตายเพียงแต่ร่างกายใจผู้ติดรูปเสียงกดลดิ่นรสไม่ได้ตาย ใจก็ไปหาร่างกายอันใหม่เครื่องมืออันใหม่เพื่อที่จะได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสอันใหม่ต่อไปไปเกิดใหม่ก่อนจะไปเกิดใหม่ก็ไปรับผลบุญผลบาปก่อนอขึ้นอยู่ว่าอันไหนจะมากกว่ากันบุญมากกว่าบาปก็ไปรับผลบุญก่อนบาปมากกว่าบุญก็ไปรับผลบาปก่อน พอบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันไม่สามารถให้คุณให้โทษกับจิตใจเป็นไม่สามารถดึงจิตใจไปในทางใดทางหนึ่งก็จะเป็นช่วงที่ไปรับร่างกายของมนุษย์เพื่อมาเกิดใหม่เมื่อเกิดแล้วก็มาเสพรูปเสียงกนลนนรสใหม่พวกที่ กายเสบรูปประชานพอกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะไปปฏิบัติสมาธิไปนั่งสมาธิเข้าเข้ารูปประชานขั้นต่างๆพวกที่กายเสบรูปประชานก็จะกลับมาปฏิบัติสมาธิขั้นอรูปประชานเพราะมันเป็นของที่เขา เคยชินเคยทํามาแล้วพวกที่เสพกามก็กลับมาเสพกามพวกที่กินเหล้าก็กลับมากินเหล้าต่อพวกที่เที่ยวก็กลับมาเที่ยวต่อพวกที่ชอปปิ้งก็ไมาชอปปิ้งต่อเคยทําอะไรไว้มันจะติดเป็นนิสัยเป็นสันดานแล้วมันก็จะมาทําเหมือนเดิม ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเกิดแก่เจ็บตายไปเรื่อยๆตายไปก็ไปเกิดใหม่แล้วก็กลับมาทำสิ่งที่เคยทำใหม่เคยเสพกามก็มาเสพกามเคยเสพรูปประจานก็ไปเสพ ร, ร, ร, รูปประจานเคยเสพพ ร, รูปประจานก็ไปเสพพรูปประจานจะหมุนเวียนทำอย่างนี้ไป จว่าจะมีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุวิธีที่จะหยุดการเสพกามหยุดการเสพรูปประชานหยุดการเสพอารูณ ป, ประชานพอมีพระพุทธเจ้าผู้รู้วิธีนังนับการเสพกามเสพรูปประชานเสเพารูปประจานพอเอามาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่เห็นโทษของการมาเกิดแก่เจ็บต mm hmm. ายพอนำอาไปปฏิบัติได้ mm hmm. ก็สามารถบรรลุทมที่เรียกว่าโล ก, กุตตะธรรมได้ทมที่จะพาให้ออกจากโลกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด โลกของไตรพบได้ต้องมีพระพุทธเจ้ามาเป็นผู้พบวิธีแล้วต้องนำมามาเผยแผ่สั่งสอนพระพุทธเจ้านี่ก็มีสองแบบด้วยกันแบบที่สั่งสอนกับแบบที่ไม่สั่งสอนบางรูปตัดจะรู้แล้วไม่เอามาสั่งสอน ที่ไม่สั่งสอนอาจจะเพราะว่าไม่มีใครสนใจจะฟังก็ได้ถ้าไปเกิดในยุคที่มีคนสนใจให้กับการเสพกามอย่างเดียวเช่นถ้าไปเกิดในเมืองลาฐเวกัสอย่างนี้แล้วลองไปเผยแผ่ธรร ม, มะในลาฐเวกัสดูมีใครจะมานั่งฟังไหย มีใครจะมานั่งสมาธิมารักษาศีลหรือไม่เช่นนั้นก็เนี่ยไปแถวพัทยาใต้ก็ได้นั่นอาจจะเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมไม่โปรดสัตว์โลกเพราะเห็นว่าไม่อยู่ในวิสัยของสัตว์โลกที่จะเอาธรรมอันวิเศษนี้ไปปฏิบัติได้ แ้แต่ของพระพุทธเจ้าของเราในเบื้องต้นก็ทรงคิดอย่างนั้นเหมือนกันทรงคิดว่าโอ๊ยใครจะมาทําตามที่เราทําได้ว่าต้องสะละราชสมบัติเนี่ยมีทรัพย์สมบัติเก้าของเงินทองมีลูกมีเมียมีผัวก็ต้องทิ้งหมดแล้วไปอยู่แบบขอทานอยู่ในปา่าแล้วก็มารักษาศีลให้บริสุทธิ์ มาควบคุมจิตใจให้อยู่ในสมาธิในความสงบแล้วก็ต้องพิจารณาธรรมต่างๆที่ไม่น่าที่ไม่น่าพิจารณาแต่ถ้าไม่พิจารณาก็ไม่เห็นความจริงเช่นความตายไม่มีใครอยากจะพิจารณาความตายไม่มีใครอยากจะพิจารณาความแก่ความเจ็บ อย่าพิจารณาแต่เรื่องสวยๆ ง, งามๆเห็นหมดูหนังสือที่เขาขายบนบนในท้องตลาดมีแต่หนังสือภาพสวยๆ ง, งามๆสุขภาพดีอะไรแข็งแรงออกกำลังกายหรืออะไรต่างๆมีแต่เรื่องส่งเสริมอายุ ส่งเสร erm ิมสุขภาพส่งเสริมความสวยความงามพอให้มาศึกษามุมกลับนี่ไม่มีใครอยากจะศึกษากันก็เลยตอนต้นก็คิดอย่างนั้นว่าสอนไปก็เปล่าประโยชน์ไม่มีใครนำเอาไปปฏิบัติได้แต่หลังจากที่ได้ทรงค่้ยควรดู ก็ทรงเห็นว่ามีคนหลายประเภทด้วยกันคนส่วนใหญนะ่เป็นพวกที่ไม่สนใจเรื่องธรรมะกันสนใจแต่เรื่องกามเรื่องการหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ก็มีคนบางพวกที่ไฝ่บุญไฝ่กุศล ถึงแม้จะมีจำนวนไม่มากก็ยังพอที่จะรับประโยชน์จากการตัดสู้ของพระพุทธเจ้าได้พระพุทธเจ้าก็เลยมุ่งไปสอนพวกที่มีภูมิธรรมภูมิจิตพวกแรกก็คือพวกที่มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิบริสุทธิ์ตลอดเวลาแต่ไม่มีปัญญา ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวที่พาให้กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรถึงจะสามารถกาจัดการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้พอพระพุทธเจ้าสอนว่าเหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายกันก็คือตัณหาทั้งสามความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากในรูปประชาน ความอยากในอารูปประชานต้องตัดมันให้หมดอย่าไปเสพกามอย่าไปเสพรูปประชานอย่าไปเสพอารูปประชานพอพิจารณาให้เห็นว่าเป็นทุกข์เพราะพวกนี้มันไม่เที่ยงมีมามีไปมีเกิดมีดับมีได้มีเสียเวลาได้มาก็ดีใจ เวลาได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกมือกายก็ดีใจแต่ไม่สามารถรักษามันไว้ได้ตลอดวันดีคืนดีมันก็หายไปได้หมดไปได้พอหมดก็เกิดความเสียใจขึ้นมาทุกข์ใจขึ้นมาเช่นเดียวกับรูปประชานารูปประชานก็เป็นของชั่วคราวได้ตอนที่เข้าฌาน พอออกจากฌานมันก็หายไปหมดไปออกจากฌานมาก็ต้องมาทุกข์กับความคิดปรุงแต่งกับเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆก็เลยต้องหนีกลับเข้าไปในสมาธิแต่ก็อยู่ไม่ได้ตลอดเวลาเพราะมันไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ก็ต้องเข้าๆออกๆเวลาเข้าก็สุขเวลาออกก็ทุกข์ ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขเวลาเข้าไปถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงแต่มันก็ยังไม่เทีย่ยงห่อออกมาแล้วมันก็ทุกได้นี่พระพุทธเจ้านี่เป็นผู้ที่ส่งคนพบว่าเหตุที่ทําให้ทุกข์นั้นไม่ใช่เพราะว่าเข้าหรือออกเสพหรือไม่เสพเหตุที่ทําให้ทุกข์คือความอยากอยากเสพ ถ้าหยุดความอยากได้ไม่มีความอยากเสพได้ใจก็ไม่ทุกข์ไม่ต้องเข้าไม่ต้องมีรูปเสียงกินลดไม่ต้องมีรูปประชาไม่ต้องมีอารูปประชาให้เสพใจก็จะสงบใจก็จะเป็นกลางใจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงจะเฉยๆจะเฉยๆแบบมีความสุขไม่ได้เฉยๆแบบเฉยเมย เฉยเมยนี่บางทีเฉยข้างนอกแต่ใจนี่ไม่เฉยเหมือนกับแกล้งบังคับให้เฉยจำ ต, ต้องบังคับอย่าไปอะไรกับเขาแต่ในใจนี้ดิ้นอยากจะไปยุ่งกับเขาแต่รู้ว่าไปยุ่งกับเขาแล้วมันไม่ดีต้องบังคับมันแต่ถ้ามีปัญญารู้ว่า ไอตัวที่ทำให้เราไม่เฉยนี่คือความอยากของเราอยากไปยุ่งกับเขาเพราะคิดว่าเขามีอะไรดีๆให้เราพอใช้ปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่ดีเขามีก็อยู่แต่มันไม่เที่ยงนะเขาให้เราวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไม่ให้เราเราก็เดือดร้อนเองพิจารณาเห็นไม่เที่ยงหยุดความอยากไปยุ่งกับเขาได้พอไม่ไปยุ่งกับเขาก็เฉยสบาย ใช่ไหมสังเกตไหมสิ่งไหนที่เราไม่อยากนี่ใจเรารู้สึกอะไรกับมันไหมใจเราเฉยเฉยแต่ถ้าสิ่งไหนเราอยากแล้วมมันเฉยไม่ได้นะอยากได้ก็เฉยไม่ได้อยากจะทุบอยากจะตีอยากจะด่าก็เฉยไม่ได้เพราะความอยากพอพิจารณาเห็นให้มองทุกอย่างที่เราไปอยากยุ่งเกี่ยวด้วยว่ามันเป็นทุกข์ มันเป็นเหมือนระเบิดเวลาอย่าไปจับลูกระเบิดเดี๋ยวมันถึงเวลามันระเบิดใส่เราถ้าไม่ไปยุ่งกับมันมันระเบิดมันก็ไม่ได้ระเบิดใส่เราเพราะของทุกอย่างมันไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขมันจะกลายเป็นทุกข์ไปสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเดี๋ยวมันจะพลิกกลับความสุขที่ได้จะกลายเป็นความทุกข์เวลาที่มันพลิกกลับ แล้วเราก็ไปควบคุมบังคับห้ามมันไม่ให้มันพลิกไม่ได้มันต้องพลิกไปตามเรื่องของมันมันเป็นธรรมชาติของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวรไม่เหมือนเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆพอพิจารณาเห็นด้วยปัญญาเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะหยุดความอยากที่จะไป ยุ่งกับสิ่งต่างๆได้พอไม่ไปยุ่งกับสิ่งต่างๆใจก็สบายนี่คือสิ่งที่สิ่งที่นักบวชสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรุนี้ไม่มีไม่รู้คือปัญญาพวกนักบวชนี่เขารู้เรื่องวิธีรักษาศีลเขารู้เรื่องวิธีเข้าฌานเข้ า, ร, า, ารูปปัจานอรูปปัจาน แต่เขาไม่รู้วิธีที่จะทำให้ใจไม่ทุกเวลาไม่ได้เสบรูปประชานไม่ได้เสบรูปประชานไม่ได้เสบกามว่าทำอย่างไรพอไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุของความไม่สบายใจเกิดจากการอยากจะเสบรูปประจานอารูปประจานอยากจะเสบกามพออยากจะ ดื่มกาแฟาขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหากาแฟาดื่มนะให้อยู่เฉยๆไม่ได้นะอยากกินขนมอยากอะไรก็ตามถ้าอยากแล้วมือไม้สัน่นนะถ้าอยู่เฉยๆนี่แหละตัวที่ทําให้ใจสัน่นใจไม่สงบปายคือความอยากแต่วิธีของนักบวชสมัยก่อนสมัยก่อนสมัยที่พระเจ้า บาเพ็ญนี้เขารู้วิธีทำให้หายสันด้วยการเข้าไปในสมาธิแต่เขาไม่รู้วิธีที่จะทำให้ไม่ไม่ไม่สันเวลาออกมาเพราะเขาไม่รู้ว่าตัวที่ทำให้ใจเขาสันคือความอยากพอพระพุทธเจ้ามาบอกว่านี่ตัวที่ทำให้คุณสันนี่ก็คือความอยากต่างๆเล้กมันเสียอยากไปทาตามความอยาก วิธีจะเลิกได้ต้องเห็นว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเวลาอยากเสพรายได้เสพก็เป็นสุขเวลาไม่มีให้เสพเวลานั้นมันจะทุกข์นี่นั่นแหละคือปัญญาให้เห็นโทษพอเห็นโทษว่าถ้าไม่มีเสพแล้วจะทุกข์จะทำยังไงก็อย่าเสพมันดีกว่าเลิกเสพมัน พอเล็กเสพมันความอยากก็จะหายไปความอยากเสพก็จะหมดไปใจก็จะไม่ทุกข์อีกต่อไปใจก็จะสงบใจก็จะเป็นสุขอยู่เป็นสุขนี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดจารุแล้วพอมาพิจารณาดูว่าใครจะเป็นผู้ที่จะรับประโยชน์จากคาสอนได้ ตอนต้นก็มองแบบทั่วๆไปก็เห็นว่ามีแต่คนเสพการมทั้งนั้นมีแต่คนหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันทั้งนั้นแต่พอมองลึกๆเข้าไปก็มีบางพวกบางคนที่หาความสุขจากการทำบุญทำทานบ้างหาความสุขจากการนักษาศีลบ้าง หาความสุขจากการนั่งสมาธิมากพ่ออก็เลยเห็นว่าอคนพวกนี้อพอที่จะสอนได้ก็เลยตัดสินพรไทยจะสอนแต่ต้องเลือกสอนเลือกสอนพวกที่รู้เร็วก่อนพวกที่พวกที่มีความพร้อมมากที่สุดก่อนเพราะจะได้ไม่เสียเวลาเช่นสอนเด็ก สี่จุดนี่มันง่ายกว่าสอนเด็กหนึ่งจุดนะสอนหนังสือเด็กที่เรียนได้คะแนนเฉลี่ยนหนึ่งจุดนี่มันสมองทึบนะต้องใช้เวลาอธิบายหลายรอบหลายครั้งโดยการออาจจะต้องวาดภาพการ์ตูนวาดอะไรให้มันดูแต่พวกเด็กนักเรียนสี่จุดนี่พอพูดเท่นั้นก็เข้าใจเขาวาดภาพขึ้นมาในใจเขาได้ ก็คือพวกนักบวชที่มีศีลมีสมาธินี่เป็นพวกที่พร้อมที่จะรับปัญญาพอแสดงอริยสัจสี่แสดงมรรคแปดก็บรรลุทำได้เลยผู้ที่บรรลุธรรมคนแรกก็คือพระอญญานโกนธัญญาบรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาถ้าไม่พุทธถ้าพระพุทธเจ้าไม่มาสอนไม่มีวันที่จะบรรลุได้ ก็จะติดอยู่ขั้นฌานนั่นตายไปก็ก็จะกลับมาเกิดมาทำสมาธิทำฌานต่อแต่จะไปขั้นปัญญาไม่ได้เพราะไม่มีความสามารถที่จะค้นหาความจริงว่าอะไรทำให้ใจนี้ทุกข์ต้องมีคนฉลาดซึ่งนานๆจะมีปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่ง คือพระพุทธเจ้าเนี่ยพอพระพุทธเจ้ามาตัดสโลแล้วทีนี้พอพระองค์เริ่มสอนเริ่มสอนพอสอนให้กลุ่มแรกสำเร็จพระปัญจาวาคีสอนอยู่สองสามรอบก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ทั้งห้ารูป ก, ก็เลยได้ผู้ช่วยแล้วสิทีนี้ไม่ต้องสอนคนเดียวแล้วมีผู้ช่วยมาสอนในข้าคน ผู้ช่วยนี่ก็ไปช่วยสอนพระอุตตรเจ้าสอนบอกให้กระจายไปไปกันคนละทิศคนละทางไปสอนพวกที่พร้อมที่จะบรรลุธรรมก่อนสอนพวกที่มีศีลมีสมาธิก่อนเบื้องต้นนี้ท่านจะกว า, าดเอาพวกหัวกะทิไปก่อนพวกนักเรียนสี่จุดเหมือนมหาลัยใช่ไหมเวลาเขาสอบเป็นท่านนี่เขจะเลือกเอาแต่พวกหัวกะทิไปก่อน หัวกะิก็ไปมาิดลดนไปจุลาไปธรรมศาสตร์กันไอพวกที่ไม่ได้เป็นหัวกะทิก็ไปที่อื่นไป อ, อันนี้ก็เหมือนกันเบื้องต้นนี้พระพุทธเจ้าส่งมุ่งไปพวกที่เป็นหัวกะทิซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นนักบวชไปสแสดงธรรมที่สำนักนักบวชมีอยู่ห้าร้อยลูก กาแสดงเสร็จบรรย์พร้อมกันเลยห้าร้อยูปนั่นแหละตรงนี้เขาพร้อมนะเขามีเครื่องมือมีศีลมีสมาธิที่จะเอาปัญญาของพร ะ, พ, ระพุทธเจ้านี้มาฆ่ากิเลสฆ่าโมหะอวิชชาของตนที่ดอกให้มาเสพการเสเปลลูปประชานเสเปอารูปประช า, ปปะชานะพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นพิษมันเป็นโทษมันเป็นทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยงเศรแล้วก็จะติดจะต้องกลับมาเสพอยู่เรื่อยๆเขาต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็ต้องหยุดความอยากที่จะเสพการอยากจะเสพรูปประชานอยากจะเสพผลรูปประชานพอหยุดได้ปั๊บก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไป ไม่ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปถึงแม้จะกลับมาเกิดมารวยมาร่ำรวยมามีความสุขแต่เดี๋ยวมันก็ต้องจบเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันตอนนั้นมันก็จะเจอความทุกข์กันและถ้าไม่รู้จักวิธีสู้กับความทุกข์ก็ใ จ, จคิดคิดหนีความทุกข์ด้วยการฆ่าตัวตายกันนี่ เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจําเป็นจะต้องมีศีลสมาธิปัญญานพระพุทธเจ้าจึงเลือกพวกที่มีศีลมีสมาธิก่อนพร้อมที่จะรับปัญญาได้พอพวกนี้หมดแล้วทีนี้ก็ไปเอาพวกที่สองพวกที่มีศีลแต่ไม่มีสมาธิทีนี้ก็ต้องมาสอนพวกนี้ให้ฝึกสมาธิกันนะ ให้นั่งสมาธิอานาปนานสติดูลมหายใจเข้าออกสอนให้เดินจงกรมบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยเป็นพวกที่ยังไม่มีสมาธิก็ต้องสอนให้มีสมาธิก่อนถึงจะสอนปัญญาต่อไปได้สำหรับพวกแรกนี่เขามีศีลมีสมาธิแล้วท่านไม่แสดงอะไรมากท่านแสดงแต่เรื่องปัญญา คือแสดงอริยสัจ ส, สี่แสดงไตายลัษน์พอให้เขารู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้รู้ว่าการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายเกิดจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาและการจะหยุดการกลับมาเกิดได้ก็ต้องละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาด้วยมรรคก็คือปัญญานี่ ปัญญาก็คือไตรลักษณ์อริยสัจสีนี่คือขั้นแรกสำหรับกลุ่มแรกนี่เขามีศีลมีสมาธิแล้วก็เลยไม่สอนเรื่องศีลไม่สอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องปัญญาพอพวกนี้บรรลุธรรมกันหมดแล้วก็ต้องมาสอนพวกที่ไม่มีสมาธิมีศีลนี่ก็สอนให้เขาฝึกนั่งสมาธิกัน ก่อนจะนั่งสมาธิได้ก็ต้องมีสติก่อนสสแสดงสติปทานสี่ให้พวกที่ยังไม่มีสติยังไม่มีสมาธิยังไม่มีปัญญาสติปฐานสี่นี้สอนทั้งสามอย่างสอนให้เจริญสติเพื่อเวลานั่งสมาธิจิตจะได้สงบเป็นอัปปนาสมาธิ พอจิตมีอั ป, ปนาสมาธิแล้วก็สอนให้ไปพิจารณากายเวทนาจิตธรรมที่มีอยู่ที่ที่จิตไปผูกพันไปติดอยู่พิจารณาให้เห็นว่าเป็นตายรักพอเห็นว่าเป็นไตายักปล่อยวางกายได้ปล่อยวางเวทนาได้ปล่อยวางจิตได้ปล่อยวางธรรมได้จิตก็บรรลุมรรคผลนิพพานได้เรื่องนี้พระพุทธเจ้า ส่งพยากรณ์ว่าหลักสูตรนี้บางคนก็อาจจะจบภายในเจ็ดวันนะบางคนถ้าไม่เจ็ดวันก็ไม่เกินเจ็ดเดือนบางคนถ้าไม่ไม่เสร็จภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนก็ไม่เกินเจ็ดปีนี่สำหรับพวกที่ยังไม่มีสมาธิมีแต่ศีลเนีเช่นมาบวชพระบวชใหม่ ยังไม่ได้ฝึกสติยังไม่ได้ฝึกสมาธิก็สอนให้ฝึกสติให้มีสติสังเกต ด, ดูครูบาอาจารย์แทบทุกสำนักนี้จะเน้นเรื่องสติไปที่ไหนไปเรียนกับครูบาอาจารย์รูปไหนองไหนท่านก็สอนให้มีสติให้สํารวมกายวาจาใจด้วยสติให้ ใจไม่คิดปรุงแต่งไปถึงเรื่องราวต่างๆให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลาทำงานทำการหรือให้มีสติอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธเพื่อที่จะควบคุมความคิดหยุดความคิดพอเวลามีเวลานั่งได้ก็นั่งพอถ้าจะให้จิตรวมเป็นอัปปนาสมาธิต้อง อยู่ในท่านั่งถ้ายืนท่าเดินนี้มันไม่มันไม่รวมมีสติก็จริงแต่มันจะไม่รวมจะให้รวมนี้ต้องนั่งสมาธิต้องอยู่ในท่านั่งบริกรรมพุทธโธไปดูลมหายใจไปเดี๋ยวใจก็รวมเข้าสู่อัปปนาสมาธิรวมปั๊บไม่ใช่ไปปัญญาทันทีรวมแล้วก็รักษาสมาธิให้อยู่นานๆไว้ก่อน เหมือนกับชาร์จแบตเนี่ยไม่ใช่พอเสียบสายปุ๊บก็ถอดสายออกแล้วไปใช้ต่อเลยอพอเสียบสายปับ๊บไฟเริ่มชาร์จปับ๊บก็สอดถอดปลั๊กออกแล้วก็ไปใช้เลยมันไฟมันยังไม่ได้เข้าไปในเครื่องมากเข้ไปแค่ไม่ถึงเปอร์เซนต์หนึ่งก็ถอดไปใช้แล้วการเจริญสมาธิก็ไปเหมือนกับการชาร์จกําลังอสร้างกําลังใจ ให้เพื่อที่จะได้มีกําลังไปต่อสู้กับความอยากไปใช้ปัญญาสู้กับความอยากอืเริองต้นต้องชา้าให้มันเต็มร้อยก่อนคือต้องมีสมาธิตลอดเวลาไม่ใช่แต่เฉพาะเวลานั่งออกจากสมาธิมาก็ยังสงบพอไม่สงบก็กลับเข้าไปในสมาธิใหม่ทำอย่างนี้เข้าๆออกๆ อ, อ, อย่างนี้ไป จนมันสงบทุกเวลาสงบทั้งขณะที่ออกมาสงบทั้งขณะเข้า ท, ที่เข้าไปอย่างนั้นนะ่ะถึงจะเรียกว่ามีสมาธิเต็มร้อยแล้วชาร์จแบตได้เต็มร้อยแล้วทีนี้ก็เอาไปใช้อยากจะไปใช้แบบชา์ใช้โทรศัพท์ใช้เปิดดูอะไรเปิดฟังอะไรใช้ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงถ้าชาร์จแบตได้แค่หนึ่งเปอร์ซนตแล้วเอาไปใช้ดูเลย ใช้ปั๊บเดียวก็หมดแล้ะพอนั่งสมาธิจิตสงบปั๊บออกไปพิจารณาปัญญาเลยพิจารณาได้ได้วินาทีเดียวก็หมดแรงนะพิจารณาความตายได้ปั๊บเดียวก็หลอกตัวเองว่ารู้แล้วเข้าใจแล้วไม่ต้องพิจารณาแนละ้วแต่พอไม่พิจารณาก็ดื่มพอคิดถึงความตายขึ้นมาก็กลัวทุกข์ขึ้นมา เพราะยังยังพิจารณาไม่ไม่สมบูรณ์ไม่รอบครอบไม่ครบสูตรพูดง่ายๆถ้าจะพิจารณาร่างกายนี้มันต้องพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ใช่ตัวเราของเราเินดินน้ำลมไฟมันทุกข์มันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายการมีร่างกายไม่ดีการไม่มีร่างกายดีกว่าการปล่อยวางร่างกายแยกออกจากร่างกายได้นี้มันสบายกว่า ต้องเห็นว่าการมีร่างกายนี้เป็นทุกข์การปล่อยให้ร่างกายมันจากเราไปนี่มันเป็นสุขมากกว่าอันนี้ถ้าไม่มีสมาธิมันจะไม่มีเวลาที่จะพิจารณาอย่างรอบคอบจนสามารถปล่อยวางได้มันก็จะทุกข์กับร่างกายไปเห็นคิดถึงความแก่ของร่างกายก็ทุกข์แล้ว คิดถึงเวลาเจ็บไายได้ป่วยก็ทุกข์แล้วคิดถึงเวลาจะตายก็ทุกข์แล้วแต่ถ้ามีสมาธิมากๆนี้มันจะไม่ทุกข์มันจะเฉยมันจะเฉยเพราะมันมีอุเบกขาเหตนั่ต้องถ้าอย่างพิจารณาความแก่ความเจ็บความตายพิจารณาตายลักไม่ได้พิจารณาแล้วใจหดหู่ใจไม่สบาย ก็แสดงว่าสมาธิอย่างน้อยไปถ้ามีสมาธิเต็มร้อยแล้วมันจะเฉยกับความแก่เฉยกับความเจ็บเฉยกับความตายได้ปล่อยวางร่างกายได้เมื่อเห็นว่าการมีร่างกายมันเป็นทุกข์มากกว่ามีมากกว่าเป็นสุขสู้มไม่มีร่างกายดีกว่า อ, อันนี้คือขั้นของปัญญาต้องรอ อย่าเพิ่งรีบร้อนผู้ที่ยังไม่มีสมาธิเต็มร้อยพยายามสร้างสมาธิให้มันเต็มร้อยก่อนให้มันสงบทั้งขณะที่อยู่ข้างนอกสมาสมาธิพอมันไม่สงบก็สามารถเข้าไปเติมสมาธิเข้าไปเติมในสมาธิต่อได้เข้าไปเติมความสงบในสมาธิต่อได้ทําอย่างนี้เข้าออกเข้าออกอย่างนี้ไปจนมีความมั่นใจว่าทีนี้เรา สามารถสั่งให้จิตสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการทีนีนะ้ถึงจะไปทางปัญญาได้พอไปทางปัญญาเวลาพิจารณาบางทีสู้กับกิเลสไม่ไหวก็เกิดความทุกข์เกิดความร้อนใจขึ้นมาได้ก็สังก็สามารถเอาเข้าไปในสมาธิดับความร้อนดับความทุกข์ใจได้ ถ้าไม่มีสมาธิมันไม่มีมันก็จะไม่สามารถดับความทุกข์ดับความร้อนใจได้ถ้าดับไม่ได้เดี๋ยวดีไม่ดีมันก็ยอมแพ้ไม่เอาดีกว่าสู้ไม่ไหวออันนี้คือเรื่องของขั้นของสมาธิต้องเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ เวลาอยู่ข้างนอกถ้าจิตไม่สงบก็ต้องเข้าสมาธิทันทีเวลาเข้าสมาธิเวลาออกจากสมาธิมามันก็จะสงบมันเป็นเหมือนน้ำที่เราไปแช่ตัวเย็นนะถ้าเราแช่น้ำในตู้เย็นนานๆแช่มันเป็นน้ำแข็งเนี่ยเวลาออกมามันก็จะเย็นนานถ้าไปแช่เดียวๆ เ, เอาออกมาเดี๋ยวมันก็หายเย็นเร็ว ต้องเข้าไปใ น, นสมาธินานๆลึกๆก็ไปในอัปปนาสมาธิแล้วให้มันอยู่นานๆเป็นชั่วโมงนี้แล้วพอออกมามันก็จะเย็นได้นานแล้วพอมันหายเย็นก็กลับเข้าไปใหม่ฝึกอย่างนี้ไปให้ชนานาญก่อจนเราสามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการ ทีนี้เราก็ไปทางปัญญาต่อไปถ้าไม่ไปก็ถือว่าติดสมาธิแล้วแต่เบื้องต้นถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่ไปทางปัญญาไม่ถือว่าติดสมาธิเพราะยังไม่มีสมาธิให้ติดยังกำลังสร้างสมาธิอยู่เบื้องต้นนี้ต้องสร้างสมาธิไม่ต้องกลัวว่าติดสมาธิถ้ายังไม่สามารถเข้าออกสมาธิได้ทุกเวลา ถ้ายังไม่สามารถควบคุมจิตให้สงบได้ทั้งขณะที่อยู่ข้างนอกและอยู่ข้างในยังถือว่ายังสมาธิไม่ครบไม่เต็มร้อยต้องพยายามทำให้มันเต็มร้อยก่อนพ อ, อเต็มร้อยแล้วทีนี้ก็ไปทางปัญญาได้แล้วจะบรรลุเร็วแล้วเนี่ยเห็นไหมพวกปัญจวัคคีย์พวกที่เขาฟังเทศฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมพวกนี้เขามีสมาธิเต็มร้อย ตอนที่เขาฟังธรรมจิตเขาก็เป็นสมาธิไม่คิดปรุงแตง่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาตั้งใจฟังเพียงอย่างเดียวฟังทุกคำพูดของพระพุทธเจ้าที่ลำดับเหตุและผลพอฟังไปก็นึกภาพไปก็เข้าใจเข้าใจก็ปล่อยวางได้ละความอยากได้ในขณะที่ฟังธรรมไปเลยนี่เป็นเพราะว่าจิตเขาสงบมาก ถึงแม้ไม่ได้สงบแบบไม่รับไม่รับรูปเสียงกลิ่นรสรับรูปเสียงกลิ่นรสแต่จิตตัวจิตเองไม่คิดปุงแต่งจิตสักแต่ว่ารู้ปุงแต่งตามทมที่ได้ยินได้ฟังพิจารณาทมตาม ท, ที่ได้ยินได้ฟังเท่านั้นพวงนี้จึงบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วพอได้ฟังธทมเพียงคำเดียวบางคนมีชายคนหนึ่งขอให้พระพุทธเจ้าปโปรดแสดงธรรม สั้นๆ ส, สรุปให้ฟังหน่อยเพราะตอนนั้นพระพุทธเจ้ากําลังบิณฑบาตอยู่พระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินเออคือให้ปล่อยวางให้รู้เฉยๆใครด่าก็รู้ว่าเขาดา่าใครชมก็รู้ว่าเขาชมไม่ต้องดีออกดีใจไม่ต้องไปเสียอกเสียใจความหมายอยู่ตรงนั้นเอให้รู้เฉยๆ รูด้ด้วยไม่มีความอยากถ้าอยากแล้วมันจะทุกข์เวลาเขาด่าเราก็ทุกข์เวลาเขาชมเราแล้วเขาเคยชมเราแล้วพอเขาไม่ชมเราก็ทุกข์อีกเพราะอยากให้เขาชมแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะรู้เฉยๆไปรู้ว่าวันนี้เขาไม่ชมรู้ว่าวันนี้เขาไม่ดา่าไม่ด่าก็ไม่ดา่าไม่ชมก็ไม่ชมก็ว่าไปกันตามความเป็นจริง ตามเนื้อผ้าแต่ใจไม่ได้ไปดี อ, อกดีใจเสีย อ, อกเสียใจกับการพูดของเขาเขาจะพูดดีพูดไม่ดีก็ปากของเขาหูของเราก็ฟังไว้เฉยๆใจของเราก็รู้เฉยๆนั่นเองพอแสดงแค่นี้ก็บรรลุทมได้เป็นพ้าอรหันขึ้นมาได้พระพุทธเจ้ารู้ว่าชายคนนี้บรรลุตอนที่ พอฟังทรรมเสร็จก็ขออนุญาตจะไปเตรียมของเพื่อที่จะไปบวชระหว่างทางก็ถูกกระทิงเลือวัวขีดตายพอพระพุทธเจ้าได้ทราบข่าวก็บอกให้ทาศพเขาแล้วก็เอากัฐถิเขาบรรจุไว้ในเจดีย์ในสถูปการที่จะเอาอัฐถิของคนตายไปบรรจุในสถูปนี้ต้องเป็นพระอาหารหันต์ หรืเป็นพระพุทธเจ้าพระปฏิเจกขอพุทธเจ้ า, รจ า, จาหรือพระมหาจักรพรรดิทนั้นที่มีสิทธิ์ที่จะเก็บกระดูกไว้ในสัตวในเจดีย์เป็นการรับรองของพระพุทธเจ้าว่าเขาได้บรรลุ ธ, ธรรมจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนี่คือเรื่องของการที่จะบรรลุ ธ, ธรรม พระพุทธเจ้าได้ทรงบรรลุแล้วนามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับชาวพุทธเราพระพุทธเจ้าไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นนักบวชเท่านั้นเอใช่อยู่ท่านเลือกสอนนักบวชก่อนเพราะนักบวชมีความพร้อมมากกว่าอแต่ผู้ใดก็ตามที่มีความพร้อมไม่ว่าจะเป็นพวกครองเรือนหรือไม่เป็นนักบวชหรือไม่เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงหรือเป็นชาย สามารถบรรลุทำได้ด้วยกันทุกคนถ้ามีศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยเนี่ยฉะนั้นเราอย่าไปหลงประเด็นกันพวกเราอย่าไปคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราบวชไม่ได้เราไ ป, ไปนิพพานไม่ได้อันนี้ผิดเนี่ยเราต้องไปบวชก่อนต้องเป็นภิกษุณีให้ได้ก่อนอย่างนี้ก็ตายไปซะก่อนนะอเนี่ยเพราะเขาไม่บวชไม่มีภิกษุณีมาบวชเราแ ล, แล้วเราจะไปบวชเป็นภิกษุณีได้ยังไง แล้วก็การบวชเป็นภิกษุณีก็ไม่ต้องมีคนมาบวชก็ได้ขอให้รู้ว่าภิกษุณีเป็นภิกษุณีอย่างไรก็ไปรักษาศีลของภิกษุณีพอรักษาศีลของภิกษุณีก็เป็นภิกษุณีไปรักษาศีลสามร้อยสิบเดข้อได้ก็เป็นภิกษุณีขึ้นมาแล้วไม่ต้องให้ใครมาบวชเราอยากจะเป็นพระก็ไปรักษาศีลของพระอยากจะเป็นสามเณรก็ไปรักษาศีลของสามเณร อยากจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาก็ไปรักษาศีลของอุบาสกอุบาสิกาศีลก็มีเป็นรั้วเท่านั้นเองเป็นโน้ตที่จะมาควบคุมความอยากให้มันอยู่ในวงแคบเพื่อที่จะได้ใช้สมาธิมามัดมันไว้แล้วก็ใช้ปัญญามาฆ่ามันอีกทีหนึ่ง น, นี่คือหน้าที่ของศีลสมาธิปัญญา เพื่อที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติได้บรรลุมรรคผลในผ่านกันอย่างนั้นขอให้เราสบายใจได้ว่าเป็นหญิงเป็นชายก็บรรลุได้เป็นคารวะเป็นนักบวชก็บรรลุได้เป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่ก็บรรลุได้ถ้ามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในตัวอยู่ในใจเพราะเราใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นผู้ผ่าให้ใจไป บรรลุเป็นพระอริยบุคคลนั้นเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเรื่องของการแสดงธรรมที่เอามาฝากท่านไว้ในวันนี้คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พอ่อนยะาวาไรวาฮาปุราปะริปุเรนติสกากัง เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติราโสยธาสัพพิตโยวิวัจจานโต สัพพะโรโขวินัสสตุมาเตปวัตตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจจังุทาปจายโนจตารโอธรมมวาทันติอายุวโนสุขังภาลัง ธรรมดาช่วงที่สองนี้จะเป็นช่วงถามตอบคำถามซึ่งถามได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแต่เนื่องจากวันนี้เราได้รวบรวมคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษมาอยู่จำนวนหนึ่งเกือบ30คําคำถามด้วยกันช่วงที่สองนี้เลยก็จะแบ่งให้เป็นการถามคำถามที่ส่งเข้ามาเป็นภาษาอังกฤษ อยากจะถามช่วงนี้คำถามก็ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่วันนี้ทาง Facebook เข้ามา350 YouTube 338 WithYou Online 23วิทยุออนไลน์รับฟังข้างบนเขา30คนรวมทั้งหมด741ครับ เ, เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งให้มันได้สามโมงก่อนเดี๋ยวเรานเวลาสากคนพอเขาได้ติดก็โพสไว้เป็นภาษาอังกฤษว่าวันนี้จะมีถามตอบคำถามในเวลาสามโมงด้วยกัน เ, เรามีหน้าเพจหลายเพจมีหน้าผูาจารย์สุชาติและพอเจ้าสุชาติแล้วก็มีเพจ ภาษาอังกฤษชื่อว่าอาจารย์สุชาตินมามะโฟดีออาจารย์สุชาติถ้าเสิร์ชภาษาอังกฤษเขียนว่าอาอจารย์ A-J-A-H-N มันจะขึ้นขึ้นมา mm hmm. A-J-A-H-N ใช่ไหมเอเจเแล้วก็สุชาติมันก็จะโผล่ขึ้นมา ้านนี้มันก็จะเป็นภาษาเกลษล้วน